กรรมมสมาทานคือการทํากรรมเนี่ยนะการถือปฏิบัติในเลือกทํากรรมมันมีอีกกลุ่มหนึ่งคือกรรมมสมาทานที่มีสุขในปัจจุบันแต่ให้ผลเป็นทุกข์ในภายหลังอย่างหนึง่งนะสบายมากตอนทำอ่ะนะตอนทํามีความสุขจริงๆเลยแต่เวลาเวลาให้ผลนะี่เป็นยังไงเวลาให้ผลนี่ก็เป็นทุกข์นะนะก็ในสมัยนี้คงเห็นนะนะกินอาหารบางอย่างด้วยความมาเร็ดอร่อยแต่ว่า เดือดร้อนในภายหลังก็มีใช่ไหมหรือพวกที่ทำความชั่วบางอย่างตอนทำนี่มีความสุขมากแต่ว่าหลังจากนั้นก็เดือดร้อนพวกนี้เช่นมีความสุขกับการทำอาุสลกรรมาบทพวกนี้เดือดร้อนในภายหลังนะนะบางคนนี่ฆ่าสัตว์ด้วยความสุขนะมีความสุขมากในการฆ่าบางคนมีความสุขในการทำอธินาทานไปต้นพวกนี้สุขในปัจจุบันแต่ว่าเดือดร้อนในภายหลัง บางพวกทํากรรมที่มีความทุกข์ในปัจจุบันแต่ให้ผลเป็นสุขในภายหลังพวกเนี้ทํากุศลแบบอะไรนะทํากุศลด้วยน้ําตานะี่ยมีไหมวาทํากุศลด้วยน้ําตามันทำยากทําเย็นแท้บุญเนี่ยนะก็อย่างอะไรนะบางคนเนี่ยไปเจริญกุศลฟังธรรมเนี่ยนะฟังธรรมอ่านพระธรรมเนี่ยทุกดาทุกวันเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้ก็ทนุนแต่ก็เจริญกุศลในที่สุดก็ให้ผลเป็นความสุขในภายหลัง กุศลใดที่บางคนเนี่ยเวลาทานี่ลำบากมากเหน็ดเหนื่อยอนะเช่นแม้กระทั่งให้ทานนี่ก็ไม่ใช่ง่ายใช่ไหมกว่าจะให้ทานได้ก็เหน็ดเหนื่อยละเกินเป็นต้นวันนี้ทุก์ในปัจจุบันแต่ให้ผลเป็นสุขต่อไปในอนาคตบางอย่างกรรมมาสมาทานที่เป็นทุกข์ในปัจจุบันก็เป็นทุกข์ผลต่อไปก็มีแต่ความทุกข์ก็เห็นไหมตอนทาก็ทุกข์เต็มทีเสร็จแล้วทาเสร็จก็ทุกข์อีกต่อไป สายปานาติบาตเนี่ยนะทุกตอนทําก็ทุกมาก น, นะอย่างเช่นวิชาฝึกเพื่อไปฆ่าเนี่ยนะถามว่ามีความสุขไหมโอ้ยเดือดร้อนมากที่สุดบอกในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ฝึกโหดเหี้ยมเท่ากับฝึกฆ่าคน น, นะฝึกฆ่านี่โหดที่สุดในโลก น, นะจะฝึกเรียกว่าอะไรก็ช่างเถอะแต่ว่าฝึกฝึกวิธีฆ่าจะเป็นฆ่าอะไรก็ช่างเดือดร้อนที่สุดแล้วถามว่าผลแห่งการฆ่าล่ะก็ถูกฆ่าไม่รู้กี่พบกี่ชาติมันเพื่อนนี้ทุกในปัจจุบนันแล้วก็ทุกต่อไปใน อนาคตกรร ม, มสมาทานบางอย่างการทํากรรมบางอย่างตอนทําก็สบายให้ผลต่อไปก็เป็นสุขเช่นทําฌานให้ได้นะใครได้ฌานเนี่ยนะถ้าได้ฌานไปแล้วมีความสุขแล้วก็ผลแห่งฌานก็เป็นความสุขมันน่าจะเจริญนะเช่นเจริญกรรมฐานอะไรสักอย่างให้มันมีอยู่ในในใจจนได้รับความสุขจากกรรมฐานถ้ามีความสุขจากกรรมฐานจริงๆเนี่ยนะหรือว่าบางคนบอกว่าโอ้ยมันต้องทําให้ตัวเองเดือดร้อนสิ ทำให้ตัวเองลำบากใจที่สุดเท่าที่จะลำบากได้จึงจะเรียกจะได้เบื่อในวัตะใช่ไหมมีไหมคนที่มีความสุขหรือคนที่มีความทุกข์กันแน่คือคนที่ออกจากวัตะคนที่มีความสุขมากเลยนะสุขที่เกิดจากฌานมรรคผลเป็นต้นคือผู้ที่ออกวัตะคนที่ออกวัตะจริงๆไม่ใช่คนเดือดร้อนเลยเนี่ยนะไอ้ายยังเดือดร้อนอยู่ยังไงมันก็ออกจากวตะไม่ได้เนี่ยนะ ที่ออกจากวัตฏะได้เนี่ยเป็นคนที่ประสบแต่ความสุขความเจริญเพราะนั้นเขาบอกว่าหลายๆคนถ้าศึกษาธรรมะเนี่ยนะดูถ้าจะพ้นทุกข์หรือไม่ก็ดูชีวิตประจําวันกันแล้วกันมีความสุขขึ้นไหมถ้าไม่มีเลยเดือดร้อนขึ้นเดือดร้อนขึ้นคิดทบทวนให้ดีๆนะว่ามันมันอะไรเกิดขึ้นนะ่ยมันปฏิบัติเพื่อความสุขมันมันต้องแลกด้วยน้ําตาขนาดนี้เลยหรือจริงอยู่ถ้าทางโลกบางอย่างอาจจะใช่บุคคลจะเข้าถึงความสุขก็ด้วย ความทุกข์เดือดร้อนในตอนต้นแล้วสบายในตอนปลายถ้าทางโลก น, นะทั่วๆ่วไปเขาก็จะพูดแบบนั้นแต่ทางธรรมไม่ได้เป็นอย่างนั้นการเจริญกุศลธรรมตอนเจริญก็มีความสุขแล้วฟังธรรมก็เหมือนกันถ้าศึกษาพระธรรมถูกต้องตอนฟังก็มีความสุขแล้วปฏิบัติตามก็มีความสุขในที่สุดก็จะได้รับแต่ความสุขตลอดไปแต่ถ้าเราทําแล้วเดือดร้อนหรือไม่สบายหรือเป็นทุกข์ทบทวนให้ดีว่าเป็นพระธรรมอยู่หรือเปล่าเป็นคําสอนอยู่ไหม เทียบเคียงสอบสวนให้มันดีๆเนี่ยนะถ้าเป็นไปตามคําสอนแต่ก็ยังทุกอยู่อันนี้ก็แสดงว่าเราเป็นประเภททุกข์ขาปฏิปทาแล้วล่ะเนี่ยนะเป็นไปตามคําสอนเหลือเกินแต่มันเดือดร้อนเหลือเกินเนี่ยนะอากุศลมันเล่นงานเหลือเกินเนี่ยนะเดี๋ยวก็อะไรนะบางคนเนี่ยราคะเกิดมากจนต้องร้องให้เลยนะบางคนบอกผมเนี่ยต้องนั่งร้องให้เลยนะบางคนก็โทรศัเกิดจนตัวเองต้องร้องให้เลยนะก็คือรังเกียจอกุศลแต่ว่ามันมันมันอดไม่ได้มันทนไม่ได้ พระบางรูปที่ไปเป็นอาบัติเนี่ยนะท่านก็มานั่งร้องให้นั่นแหละบอกโอ้ยไม่น่าเลยไม่น่าเลยกเสียอกเสียใจร้องให้น้ําตาไหลเสร็จแล้วก็พอแก้ไขอะไรเบ็ดเสร็จหมดก็กลับไปเป็นอย่งางเก่าอีกแล้วก็ร้องให้ต่ออีกนะพวกนี้เป็นประเภททุกข์ขาปฏิปทาพรานี้เดือดร้อนก็อย่างว่านะบาปอากุศลมันสั่งสมกันมาเท่าไหร่แล้วท่าะะนก็ไม่ใช่ว่าจะออกง่ายๆนะคืออกุศลที่สะสมมามันก็เหมือนกันหนี้สินที่มันท่วมไปหมดเลยนะ ทนี้อันนี้สินที่มันท่วมเนี่ยนะเวลาเขามามาทวงเนี่ยเขาจะมาพูดเพราะเอ่เขามาคุยกับเราดีๆเลยใช่ไหมไม่อกุศลก็เหมือนกันมันจะมาทวงเอาคืนเรื่อยเลยนะเพราะนักอกุศลที่ทำลงไปเนี่ยมันก็เดือดร้อนมันก็มาแลกกันด้วยน้ำตานั่นแหละพวกนี้ทำแล้วก็ทุกในตอนทำแล้วก็แต่ว่าให้ผลเป็นสุขในตอนปลายแต่ถ้าได้ฌานจริงๆคนที่ได้ฌานได้ปฐมฌานขึ้นไปเป็นต้นพวกนี้มีความสุขมาก แล้วก็วิบากของฌานเป็นต้นก็เป็นเหตุแห่งความสุขงั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยรักษาศีลก็เป็นสุขอบรมสมถะวิปัสสนาก็เป็นสุขสุขที่โดยเฉพาะสุขระดับสูงสุขที่เกิดจากมรรคผลโดยเฉพาะแทงตลอดพระนิพพานที่เป็นอมตะสุขเนี่ยนิพพานังประมังสุขขังความสุขสงบที่สุดยิ่งกว่าพระนิพพานไม่มีแล้วแต่ว่าก็สุดแท้แต่ว่าใครทํากรรมอ่ะนะเอามาดูว่าสิ่งที่เราทําอยู่สบายจริงถ้าสบาย ภายหลังเป็นยังไงมาทวนดูซิใช่ไหมถ้าทําแล้วตอนนี้ลําบากเกง่งแล้วตอนหลังควรจะสบายหรือควรจะทุกข์หรือบางทีเนี่ยนะเอางี้หน่อตาไม่ค่อยดีอ่านถ้าทําแล้วเคืองตามากเลยระคายเคืองหมายความว่าคือปกติอายุมากแล้วคนศึกษาธรรมะโดยมากอายุมากเพรานั่นไเสร็จแล้วเวลาอ่านเนี่ยนะคือเอาตาไปอ่านหนังสือพิมพ์ถ้าเสียหมดอย่างเงี้ยเสร็จแล้วถ้ามาอ่านเอามาอ่านธรรมะเนี่ยนะ อ้ออ่านแล้วระคายเคืองตาเนี่ยทนอ่านหรือว่าควรจะเลิอกอ่านจะได้สบายนาอ น, น, นพวกนี้ก็ทุกขาปฏิปทาบ้างนะก็บางทีก็ต้องเลือกทำนะอาจจะลำบากบ้างอะไรบ้างก็ทำไปเถอะมันไม่ได้สบายหรอกเพราะเราไม่ได้ทำบุญมาถึงขนาดสบายแบบลูกอน า, าบินทิกาใช่ลูกอนาาบินทิกาเนี่ยโห้ยสบายมากนะรับจ้างไปฟังทำเนี่ยนะเา้าจ้างให้ไปฟังทำด้วยนะ ฟังแล้วก็บรุ้จริงๆด้วยเก่งขนาดนั้นนะคนมีบุญนขนาดนั้นนละแต่พวกไม่มีบุญนี่ก็โอ้ยน้าตาท่วมส่วนกรรมมาสมทานอย่างอื่นอีกนะการทำกรรมอย่างอื่นอีกเช่นอะไรการสมท า, านอากุศลกรรมที่บุคคลนี้สั่งสมไว้แล้วมีผลไม่สุกงอมย่อมมุ่งที่จะให้ผลคืออกุศเนี่ทำไว้แล้วละ่ะแต่ยังไม่ให้ผล พระผู้มีพระภาคเจ้าทราบว่าเขาไม่ควรบรรลุอริยมรรคจึงไม่ทรงสั่งสอนบุคคล น, นั้นเช่นพระเทวทัตพระโปกาลิกนายสุนักขตตะผู้เป็นบุตรของเจ้าลิชวีลิชวีบุตรเนี่ยนะคืออากุศลเขาทําไว้แล้วละ่ะแต่อากุศล น, นั้นเนี่ยนะเกือบจะให้ผลตอนนั้นมันยังไม่ให้ผลแล้เกือบแล้วละ่ะเขาบรรลุอริยมรรคไม่ได้แต่อากุศลเหล่านั้นจะตามเล่นงานเขาเช่นพระเทวทัต พระเทวทัตเนี่ยหลังจากเทวทัตเนี่ยแนะนําให้พระเจ้าชาติศัตรูฆ่าพระเจ้าพิมพ์พิสารใช้ให้คนฆ่าพระโสดาบันเลยนะถึงว่าหนักมากอันนี้อีกหนึ่งหนึ่งก็วางแผนเพื่อจะฆ่าพระพุทธเจ้าแค่วางแผนเยอะมากไม่ว่าจะ ก, กรณีปล่อยช้างนายขมังธนูขึ้นเขาแล้วก็กลิ้งกลิ้งเห็นวางแผนทําสังฆเพทเนี่ยนะพอมานึกในใจโอ้กรรมเหล่านั้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่พระเทวทัตทำไว้เนี่ยนะ เวลามันให้ผลเนี่ยมันจะเส็บปวดขนาดไหนวางแผนฆ่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตัวเองไปอยู่ที่ไหนเขาวางแผนฆ่าตัวเองเบ็ดเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะไปที่ไหนเขาก็วางแผนฆ่าตัวเองหมดนะเพราะว่าวางแผนฆ่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมันพระเทวทัศน์นี่ไม่คู่ควรแก่การบรรลุมรรคผลพระองค์ไม่สอนพระองค์จึงไม่สอนให้พระเทวทัศนบรรลุมรรคผลเพราะอะไรเพราะมันสอนอยังไงก็ไม่บรรลุทําไมล่ะเพราะเขาอากุศลกรรมที่เขาสะสมไว้เนี่ยมันยิ่งใหญ่มาก แล้วก็อกุศลเหล่านั้นเนี่ยตอนนั้นยังไม่ให้ผลจริงแต่หลังจากนั้นก็ให้ผลพราโกคาลิกะก็เหมือนกันพระโกกาลิกะนี่พระพุทธเจ้าก็ห้ามอย่าเลยอย่าไปว่าภาษาริบุตรเป็นต้นเลยพระโกกาลิกะก็ไม่เชื่อไม่เชื่อตอนหลังก็ตกนรกอกีกนายสุนัขาตาฤชวีบุตรเนี่ยนะก็ เป็นคนที่ด่าพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าไม่มีคุณพิเศษพอที่จะทําความเป็นอริยะได้พระพองค์ก็สอนให้เขาบรรลุมรรคผลไม่ได้เพราะพวกนี้เป็นอะไรพวกนี้ไม่ใช่นิยตามิจฉาทิฐินะพวกพระเทวทัพพระโกกาลิกาสุนขัขขตไม่ใช่นิยตมิจฉาทิฏฐิแต่กรรมแต่ละอย่างที่เขาทํามันหนักเกินไปมันหนักเกินไปที่จะได้บรรลุมรรคผลและเขาไม่มีอุปนิสัยด้วยนชาตินั้น ส่วนสัตว์เหล่าอื่นใดเป็นนิยตมิจฉาทิฐิพระผู้มีพระภาคเจ้าทราบว่าอักุศลกรรมอันบุคคลเหล่านี้สังสมแล้วยังไม่ถึงความบริบูรณ์แต่จะถึงความบริบูรณ์ในภายหลังจะทําให้เกิดผลในภายหลังแล้วก็อกักขิสนมิจฉาทิฏฐิอันนี้จะห้ามมักในภายหลัง9้าล่วงความเป็นเวในาภายหลังพระองค์ไม่สอนนะคนเหล่านี้พระองค์ก็ไม่สอน นิยตามิจฉาทิฏฐิดิ่งดิ่งขนาดเรียกว่าสอนไม่ได้พระพุทธเจ้ากับอาจารย์สัญชัยเวรัตบุตรเนี่ยไม่ได้อยู่วัดไกลกันเลยนะพระพุทธเจ้าน่าจะไปสอนเขาบ้างนะน่าจะไปใช่ไหมนิคร น, น่าตบุตรอชิตะเกษกัมพลมคคิลโคสารเป็นต้นเนี่ยนะบางทีก็อยู่ในเมืองเดียวกันกับพระพุทธเจ้าแต่ทําไมพระองค์ไม่ไปสอนเขาล่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะนิยตามิจฉาทิฐิเขามีกําลังมากในที่สุดก็ ดิ่งดิ่งถึงขนาดว่ามรรคผลเกิดไม่ได้เนี่ยนะเมื่อบุคคลเหล่านั้นไม่สามารถที่จะมีมรรคผลมรรคผลเกิดไม่ได้พระองค์ก็ไม่สอนย่อมสั่งสอนบุคคลผู้มีกรรมที่ยังไม่บริบูรณ์เช่นนิยตามิจฉาทิฐิละแต่ว่ายังไม่บริบูรณ์เหมือนเหมือนใครเหมือนนายปุณณนะผู้ประพฤติโควัดแล้วก็ผู้ที่ อ, อเจละกะเนี่ยนะ ในปุนอะนนะก็กูโรวาทสูตรเนี่ยนะเขามีอยู่สองคนอีกคนหนึ่งประพฤติสุนักวัดกับอีกคนหนึ่งประพฤติโควัดสองคนนี้ก็เป็นเพื่อนกันคนที่ทําตัวเรียนแบบโคทุกกระเบียดนิ้วกับเรียนแบบสุนัขทุกกระเบียดนิ้วเนี่ยนะเขาเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็กเขาไปเจอหน้ากันพอไปเจอหน้ากันบอกว่าเพื่อนแกก็ทํามาอย่างดีฉันก็ทําอย่างดีเอ้ใครมันจะเข้าถึงความสุขกันแน่ ทำเรียนแบบโครหรือเรียนแบบหมาดีที่สุดเขาบอกงั้นมาถกกันก็บว่าตกลงกันไม่ได้ไปถามพระพุทธเจ้าดีกว่าก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าไปถึงในคนหนึ่งก็ไปเรียนแบบทําตัวเหมือนสุนัขทุกอย่างแล้วก็นั่งอนะอีคนหนึ่งก็ไปเรียนแบบโคทุกอย่างแล้วไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเนี่ยข้าพระองค์เนี่ยนะทุ่มเทในการทําตัวเรียนแบบหมาเรียนแบบโคเต็มที่ชาติต่ อ, ต, อต่อไปข้าพระองค์จะเป็นยังไง พระ อ, องค์ก็บอกว่าถ้าผู้ที่ Deadpool, ทําเรียนแบบสุนัขได้เต็มที่ชาติหน้าก็เป็นสุนัขกันนะถ้าเรียนแบบโคได้ทุกกฎเบียดนิ้วชาติหน้าก็เป็นโคว่างั้นแต่ถ้าผู้ใดเป็นมิจฉาทิฏฐิถือว่าทําตัวเรียนแบบโคเรียนแบบสุนัขแล้วจะไปสุขติโลกสวรรค์จะบรรลุนิพพานคนคนนั้นตกนรกเขาบอกว่าถ้าทําตัวเรียนแบบเดรชาญทุกกฎเบียดนิ้วเป็นเดรชาญถ้ามีมิจฉาทิฏฐิว่าทําตัวเรียนแบบเดรชาญ แล้วบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นต้นถ้ามีทิฏฐิแบบนี้ตกนรกแต่ว่าสองคนเนี่ยเขาพอฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเขาก็ละมิจฉาทิฏฐิได้นะผู้ที่ประพฤติเรียนแบบสุนักเนี่ยเขาก็ออกบวชเลยออกบวชตอนหลังก็เป็นพระอรหันต์คนที่ประพฤติแบบโคเขากลาเขาก็กลับไปครองเรือ น, เ ป, นเป็นผู้ที่ถึงสาระคมเนี่ยนะ ประโยชน์ก็ได้เกิดขึ้นเพราะนั้นผู้ที่มีอุปนิสัยแบบนี้ทำความชั่วเป็นนิยตามิจฉาทิฐิแต่ว่ายังไม่ดิ่ง น, นะคือเป็นมิจฉาทิฐิและแต่ไม่ดิ่งพระพุทธเจ้าก็สอนให้เขาได้ข้อ61กล่าวว่าการสมาทานอากุศลกรรมเมื่อบริบูรณ์แก่บุคคล น, นี้ก็จะห้ามมักพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจะถึงความบริบูรณ์ในภายหลัง จะทำให้เกิดผลในภายหลังจะห้ามมรรคในภายหลังจะก้าวล่วงความเป็นเวนยับบุคคลในภายหลังอันนี้ใครมัางเช่นพระเจ้าชาติศัตรูพระเจ้าชาติศัตรูนี้ก็สมมาทานที่จะทําอกุศลกรรมใช่ไหมสมมาทานที่จะต้องฆ่าพระเจ้าพิมพิสารให้ได้ตั้งใจเลยนะว่าฆ่าตอนแรกก็อะไรขังคุกใช่ไหมขังคุกขังคุกเสร็จแม่ก็ยังเอาอาหารไปส่งตอนหลังก็ห้ามไม่ให้แม่เอาอาหารไปส่งให้อดตาย เออเห็นเจริญพุทธานุสติไม่ตายสักทีหนึ่งก็เลยกรีดฝ่าเท้าเนี่ยนะย่างย่างฐานในที่สุดพระเจ้าพิมพิสารก็ตายเพราะนั้นกรรมอันนั้นก็ไม่สามารถที่จะบรรลุอริยมรรคได้เนี่ยนะแต่ก็พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยตกนรกหประมาณห 0,000 ่นปีในในบรรดาคนที่ถือว่าตกน้อยมากที่สุดเนี่ยนะฆ่าพระผ้าเ ร, รียเจ้าฆ่าผ้าเรียเจ้าคือฆ่าพระเจ้าพิมพิสารเป็นต้นเนี่ยตกนรกแค่ห0 0 0ืปีนี่ถือว่าน้อยมาก ในบรรดาคนที่ทําความชั่วทั้งหลายเขาเปรียบเทียบเหมือนอะไรเหมือนไปฆ่าคนตายมาแล้วบอกไปตักน้ามาขันหนึ่งแล้วพ้นโทษอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอะไรนะเพราะว่าพระเจ้าชาติศัตรูก็เป็นผู้ที่ปุตุชนที่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยเนี่ยก็หายากที่คนจะเสมอเท่ากับพระเจ้าชาติศัตรูเพราะได้ฟังข่าวว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานนี่เป็นลมเล ย, ยนี่นะใครว่าสลบเลยนะพอฟังข่าวว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานี่สลบเลยเพราะรักพระพุทธเจ้ามากขนาดนั้น ปุถุชนทั่วๆไปใครได้รักพระพุทธเจ้าขนาดนั้นบ้างไหมของเรานี่ยเกือบๆเลยนะกำลังทาเหตุอยู่ในชะ่กำลังสมาทานอยู่แต่พระพุทธเจ้าจะสอนบุคคลผู้ที่ทําอาคุศลแต่ยังไม่บริบูรณ์เช่นพระองค์คุลิมานพระองค์คุลิมานยังไม่ได้ฆ่าแม่เนี่ย น, นะพระองค์ก็ไปสามสารถสงเคราะห์ไปสอนเขาได้เนี่ย น, นะสอนให้เขาบรรลุได้ทีนี้บางคนก็ถามว่าเอา้าแล้วทําไมพระพุทธเจ้าไม่รีบไปโปรดพระเจ้าอาชาตศัตรูตั้งแต่ก่อ น, นที่จะฆ่าพ่อล่ะ ทำไมอ่ะจริงอยู่ความสามารถของพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยฟังธรรมแล้วบรรลุได้แต่พระเจ้าอาชาตศัตรูไม่ยอมฟังหรอกฟังอยู่คนเดียวคือฟังพระเทวทัตจริงๆก็ฉลาดนะก็ไม่ได้โง่อะไรเนี่ยนะก็เป็นคนฉลาดแต่ว่าเชื่อที่สุดคือเขาเชื่อพระเทวทัตอยู่คนเดียวเพรา ะ, ะใครก็ช่างเถอดระดับไหนมาฉนันไม่สนใจทั้งนั้นอนะ่ะถ้าไม่ใช่พระคุณเจ้าเทวทัตของข้าพเจ้านะข้าพเจ้าเอาแต่พระเทวทัตเป็นสารณะอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าก็สอนเขาบรรลุไม่ได้เนี่ยนะก็คือสุดแท้แต่ว่าเขานับถือผู้ใดเขาบูชาใครอันนั้นตัวนั้นอะ่ะในที่สุดเขาก็ขวางแต่แต่พระเจ้าถ้าพูดแบบเหตุผลทั่ทวๆไปนะพระเจ้าชาติศัตรูก็น่าเลื่อมใสพระเทวทัตใช่ไหมมีฤทธิ์ทุกอย่างอะไรทุกอย่างมีความสามารถอะไรเยอะแยะไปหมดแ้่นับถือพระเทวทัตผิดด้วยหรือถ้าพูดว่าผิดไม่ผิดไม่รู้แหละจบด้วยการฆ่าพ่ออ่ะนะตอนต้นเหมือนไม่ผิดแต่ตอนท้ายเนี่ยผิดมหันเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเขาก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็บอกว่าบางคนว่อาอ้าวถ้าเราเชื่อครูบาจารย์มากผิดด้วยหรือผิดหรือไม่ผิดไม่ดูว่าในที่สุดแล้วเราเป็นยังไงเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงสิ่งเหล่านั้นอะ่ะเป็นเครื่องวัดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าคบบุคคลใดอกุศลเจริญกุศลเสื่อมบุคคล น, นั้นไม่ควครคบถ้าคบบุคคลใดแล้วกุศลเจริญอกุศลเสื่อม บุคคลนั้นควรคบทั้งก็บุคคลเนี่ยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่ควรคบกับไม่ควรคบแต่บาลีใช้คําว่าเสพเนี่ยนะควรเสพกับไม่ควรเสพบุคคลที่ควรเสพไม่ควรเสพป่าที่ควรเสพไม่ควรเสพบ้านที่ควรเสพไม่ควรเสพเป็นต้นก็คือสรุปว่าถ้าทําไปแล้วอกุศลเจริญกุศลลดอันนี้ห่างได้ดีที่สุดแต่ถ้าทําแล้วกุศลเจริญอกุศลลดอันนั้เขาบอกว่าถูกไล่ก็สู้ต่อไปประั้น ความอ่อนความปานกลางและความยิ่งแห่งกรรมทั้งปวงมีอยู่อเนนชาพิสังขารเนี่ยเป็นสภาพอ่อนกุศลสังขารที่เหลือเป็นสภาพปานกลางอากุศลสังขาร น, นี่เป็นสภาพยิ่งโหอากุศลนี่มันยิ่งมากเลยนะในผลแห่งกรรมนี้ยานที่เป็นไปโดยเหตุเป็นไปโดยฐานะว่านี้กรรมเนี่ยนะให้ผลเป็นทิฏฐธรมเวชนยกรรม กรรมนี้ให้ผลเป็นอุปชาเวทนียกรรมกรรมนี้ให้ผลเป็นอัปรา ป, ระปรยะเวทนิยกรรมชีวิตของเราเนี่ยนะก็เป็นมัชิมะวยัยแล้วก็ปชิมะวัยเราก็ก็พอสุขทุกข์ที่เราเสวยกันอยู่เนี่ยมันก็ประกาศแล้วว่าในอดีตเราเป็นคนเช่นไรมาเหมือนกันนะว่าเราทำดีมามากหรือทำชั่วมามากถ้าเราทำแต่บาปโดยส่วนเดียวชีวิตก็ไม่ได้ผาสุขอะไรกันระดับนี้เท่าไหร่พันสรุปว่า ที่จะทำในมะเวทนียกรรมก็คือถ้าทําในวัยเด็กจะให้ผลในวัยเด็กวัยกลางและวัยปลายถ้าทําในตอนกลางคนก็จะให้ตอนกลางคนและปลายคนถ้าทําในตอนปลายก็จะให้ผลในตอนปลายหรือผลก่อนตายเป็นต้นอันนี้เป็นทิฏฐธรรมะเวทนิยกรรมคือเจตนาดวงที่หนึ่งดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้แล้ววันหนึ่งดวงที่หนึ่งเกิดกี่ขณะ ถ้าเกิดมากมายแล้วทำไมไม่รีบทําความดีให้มันมากดวงที่หนึ่งจะได้ให้ผลสบายสัทีหนึ่งใช่ไหมหรือไม่ค่อยแน่ใจ <System> แน่เตีนนะเพราะว่า ry, กุศลกรรมก็ให้ผลเป็นสุกนะแต่บางทีก็สิปีนี่ก็สบายแล้วนะก็ถ้าสมาทานประพฤติให้เป็นกุศลอย่างเดียวเลยนะติดต่อกันสักสิ ป, ปีอันนี้พูดถึงกุศลทั่วไปนะไม่ใช่พูดถึงกันนะั้นเช่นรักษาศีลเป็นอย่างดีสิบปีให้ทานเป็นนิด อย่างดีสักสิบปีแล้วก็รักษากุศลกรรมบทดีเยี่ยมสักสิบปีสืบเนื่องกันด้วยรักษาให้ดีด้วยสภาพของสติและปัญญาเนี่ยนะพ้นทุกข์แน่สบายแน่ชาตินี้ชีวิตในชาตินี้ยังไงก็ประสบแต่ความสุขนะดวงที่หนึ่งให้ผลในชาตินี้นะเพรา ะ, ะนั้นก็หมั่นสมาทานนะและการว่าขณะเดียวกันเนี่ยอกุศลที่มันเกิดขึ้นเออขออภยัยทั้งกุศลและอกุศลมันให้ผลสามระยะด้วยกันคือเหมือนกับว่าเหมือนอย่างว่า ถ้าเราปลูกผลไม้อะ น, นะปลูกอนนะไรไม่ใช่ปลูกผลไม้ป ล, ปลูกมปลูกมเมล็ดพืชเนี่ยนะปลูกมเมล็ดพืชมันก็จะให้ผลไปเรื่อยๆเนี่ยน ะ, นะะบางอย่างก็ถือว่าให้ผลภายในปีนี้บางทีก็เก็บผลปีหน้าบางทีก็เก็บผลกินหลายๆปีต่อไปฉันใดกรรมที่เราทำก็ลักษณะนั้นเจตนาที่ทำกรรมไปเนี่ยนะนะอย่างสมมติวนะ่าหนึ่งหนึ่งคำที่เราแปลงออกมานะอย่าง ใครพูดอะไรก็ได้เช่นสวดมนต์นะสวดมนต์อารหังสัมมาสัมพุโทโธพะคะวะเป็นต้นเนี่ยถ้อยคําเหล่านี้นะในหนึ่งคำอะอย่างเดียวเนี่ยละแต่ละคําทุกคําเหล่าเนี้นะมาแบ่งว่าดวงที่1ให้ผลชาตินี้ดวงที่7ให้ผลชาติหน้าดวงที่สองถึงดวงที่6ให้ผลในชาติที่สมเป็นต้นๆ้นไปแต่ก็ไม่ได้แปลว่าให้ผลชาติที่3มชาติเดียวนะคือคือเป็นต้นต้นต้นไปเนี่ยนะมันเราควรที่จะเลือกเลือกคําอะไรดีล่ะเลือกที่จะพูดอะไรอ่ะ เลือกที่จะพูดถึงพระพุทธเจ้าหรือเลือกที่จะพูดถึงคนอื่นถ้าพูดถึงคนอื่นดวงที่หนึ่งก็ให้ผลชาตินีดวงที่เจก็ให้ผลชาติหน้าสองถึงหก็ให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปถ้าพูดถึงคนอื่นพระพุทธเจ้านี่เป็นคนพิเศษว่าใครที่มีราคะอยู่นะพูดแล้วระงับเลยใครที่กําลังมีโทสะนะพูดถึงพระพุทธเจ้าระงับโทสะได้ใครที่กําลังมีโมหะงงไปหมดเลยนะนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วระงับโมหะได้พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลพิเศษที่เรียกว่าพูดแล้วราคะโทสะโมหะเป็็นนต้ก ลดลงอโลพะอโทสะอโมหะก็เจริญขึ้นดังนั้นกุศลธรรมเหล่านี้เนี่ยนะที่บุญที่เกิดจากการสวดมนต์อ่ะดวงที่หนึ่งก็ให้ผลชาตินี้ดวงที่7ก็ให้ผลชาติหน้าดวงที่สองถึงดวงที่6ก็ให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นสัมมาวาจาที่สุดแล้วในบรรดาสัมมาวาจาทั้งหลายการสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าเห็นไหมการมามาลำระลึกถึงการกล่าวอาระรหังสัมมาสัมพุโทโธเป็นต้นเนี่ยนะ คนนี้ให้ผลเป็นสุขอยู่แล้วทําไมเราจเจริญ น, น้อยแค่นั้นน่ะนะเขาบอกว่ามีเวลาเพิรเจอร์ได้นานแต่สวมดมนต์นี่น้อ ย, อยถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าพลาดแต่ถ้าสรรเสริญพระพุทธคุณได้มากๆแล้วเพิรเจอร์น้อน้อยถ้าอย่างนี้จเจริญนะเพราะฉะนั้นทุกคําที่เราพูดเนี่ยนะถ้าเรามีกรรมสัศกาตานึงคำที่หลุดพุทธพจน์ออกมาจากวาจาของเราเนี่ยดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ดวงที่เจให้ผลชาติหน้าดวงที่สองถึงดวงที่6แล้วทีนี้เราก็มาดูวันหนึ่งเราพูด พูดแล้วกุศลจิตเกิดกับอกุศลจิตเกิดอะไรมากกว่ากันก็มาไล่ดูว่าควรจะให้ชีวิตในชาตินี้ชาติหน้าชาติที่สามเป็นต้นไปควรจะสุขหรือควรจะทุกข์เพราะนั้นผู้ไรก็ได้หนึ่งคำมาคํานวณเ อ, อย่างนี้เสมอนะแล้วถามว่ามันให้ผลครั้งเดียวใช่ไหมไม่ใช่ครั้งเดียวคูณล้านคูนคูณโกดแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ คูณเป็นเม่รูกี่หมื่นหมื่นล้านเนี่ยนะคูณไมรู้กี่แสนล้านมาคือเปรียบเทียบไม่ได้ห่วงบุญห่วงกุศลเขาเรียกว่าห่วงบุญห่วงกุศลเขาเรียกว่าท่อทานแห่งบุญท่อทานแห่งกุศลที่เกิดจากเกินการเจริญพุทธคุณคํานวณไม่ได้หรอกว่ามีเท่านี้มีเท่านั้นเพราะอะไรเพราะคุณของพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้ดงนั้นสัมมาวาจาที่เรากล่าวพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยนะสัมมาวาจาเหล่านี้ก็เป็นบุญที่ หาประมาณไม่ได้เขามาอยากได้บุญก็เลยเนี่ยมาพูดชมเดีพระพุทธเจ้าอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเอาหมดนะอยากได้บุญเยอะๆเอา้าถ้าอยากอย่างนี้มันดีแล้วถ้าอยากอย่างอื่นเดือดร้อนแน่เนี่ยนะเขาบอกว่าพูดพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพูดถึงแล้วเราก็สบายใจเนี่ยนะเอา้าแล้วเราเบียดเบียนใจทั้งเราไปถึงไหนใช่มแต่ถ้าหากว่าให้จิตเป็นไปกับบุญเป็นไปกับกุศล พระพุทธเจ้าบอกว่าดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ดวงที่เจ็ดให้ผลชาติหน้าดวงที่สองถึงดวงที่หกให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปมันถ้าเราจะร้องเรียกหาผลแห่งบุญเนี่ยร้องเรียกเอาจากที่ไหนหลายคนเวลาทำบุญไปร้องเรียกหาจากที่อื่นร้องเรียกหาจากวัตถุร้องเรียกหาจากสถานที่แล้วก็ร้องเรียกหาจากบุคคลเราก็ทาดีกับเขามาเยอะทาไมเขาไม่เห็นความดีเราบ้าง ถ้าคุณทำเอาอะไรกันแน่ทำเอาคุณหรือทำเอาบุญถ้าทำเอาบุญต้องถามหาที่ใจของเราถ้าทำเอาคุณเนี่ยนะก็บอกเขาไว้ก่อนเลยฉันให้แกนะแกต้องตอบแทนฉันนะเอาก็เหมือนค้าขายใช่ไหมถ้าฉันให้คุณเท่านั้นบาทคุณต้องให้สินค้าฉันแบบนี้เข้ามาก็ต่อรองแบบซื้อขายอันนั้นเรียกว่าทำเอาทำเอาคุณใช่ไหก็ต้องแบบซื้อขายเลย เพราะฉะนั้นคุณจะเอาคุณแค่ไหนจะให้เขาตอบแทนสมมติว่าเออเราช่วยเขาครั้งนี้ไปหนึ่งครั้งเขาต้องขอบคุณเราเจ็ดครั้งนะคุณต้องจ่ายด้วยการขอบคุณเราเจ็ดครั้งก็บอกเขาไปสิว่าเราต้องการอะไรแล้วก็ก็ช่วยเขาไปแต่นี้เรียกว่าทำเอาคุณแต่ถ้าทำเอาบุญเราต้องร้องเรียกหาจากใจของเราหลายคนก็บอกอุย้ยเขาทำคุณกับใครมีแต่คนอกักตันอยู่กับเขาแล้คุณทำเอาบุญหรือทำเอาคุณกันแน่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะในอดีตเนี่ย พระองค์ช่วยพระเทวทัตช่วยมาตลอดเกือบทุกชาติเลยว่างั้นเถอะมีแต่ช่วยช่วยช่วยพระเทวทัตแต่พระเทวทัตเคยสํานึกบุญคุณไหมอาพระพุทธเจ้าช่วยพระเทวทัตเอาคุณหรือว่าเอาบุญพระพุทธเจ้าช่วยพระเทวทัตเอาบุญพระองค์ก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์มองว่าพระเทวทัตเป็นนาบุญของพระองค์ด้วยซ้าไปที่จะทําให้บุญของพระองค์ได้เจริญยิ่งๆิ่งขึ้นไปถ้าเป็นพระเวสสันดรท่านเห็นพระเทวทัตท่านยิ้มเลย เอ้ท่านมาดีแล้วท่านมาจากที่ไกลก็เหมือนจากที่ใกล้เชิญนั่งเถอะพรามนั่นผลไม้นั่นท า, านได้เถินะนั่นน้ําที่เอามาจากน้ําตรงนั้นอ่ะถ้าประสงค์ก็บริโภคเถอท่านต้องการอะไรต้องการลูกบอกโอ้ยเราไม่ซ่อนหลอกเอาไปเลยเนี่ยนะก็ดีใจเนี่ยนะ <Okay. S 1> เพราะอะไรเพราะท่านทำเอาบุญในที่สุดบุญเหล่านั้นก็ทําให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าหลายคนเขาเข้าใจผิดทําเอาแต่คุณทําเอาแต่คุณ พอนก็ร้องเรียกเอาบุญคุณมันถ้าเราช่วยเหลือใครนะก็บอกเขาเลยว่าเราจะเอาคุณฉันเลี้ยงแกเอาคุณนะแกต้องเลี้ยงฉันตอบนะแกต้องขอบคุณฉันเท่านั้นครั้งเท่านี้ครั้งนะก็มีอยู่คนหนึ่งอันนั้นมันก็พอๆกันไอคนช่วยเหลือเขามีคนคนหนึ่งเขาฝากงานให้อีกคนหนึ่งทําทีนี้ไอคนนี้ก็มาล้ำเลิกตลอดเลยนะล้ำเลิกวันนี้นะแกได้ดีเพราะฉันนะแกได้ดีเพราะฉันนะพูด อ, อย่างนี้หลายครั้งเขาไอคนที่ถูกฝากงานก็บอกเอาไปห้าพัน ถ้าไ่พูดอีกมีเรื่องแน่กันนี้ <c oughs> ก็เรียกว่าอะไรจ่ายค่าบุญคุณไป5้าพันประมางั้นบางคนนี่เป็นอย่างนั้นนะว่าคือคือเราต้องเข้าใจว่าเราทำไปทำไมแต่และเรื่องที่เราทำเราทำเอาบุญหรือทำเอาคุณแม่กระทั่งคนที่เลี้ยงลูกเสร็จแล้วพอแม่หลายคนมานั่งด่าลูกว่าลูกอากตันอยู่เอ๊ะคุณเลี้ยงลูกเอาบุญหรือเอาคุณถ้าเลี้ยงเอาคุณลูกก็ต้องทาแบบอย่างที่ดีๆให้แก่ลูกแล้วลูกก็จะ สำนึกบุญคุณแนละ้วลูกก็จะทําตามแต่ตัวเองก็ทําแต่เร็วๆเสร็จแล้วก็ร้องเรียกหาบุญคุณจากลูกไม่ได้หรอกนะก็ต้องดูตัวอย่างด้วยเนี่ยนะว่าตัวอย่างเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเป็นต้นแต่ถ้าเราทําเป็นบุญไปแล้วเนี่ยนะไม่ต้องไปหนักใจหรอกทำโมฮาเวรคติธรรมาจารีบุญแลย่อมรักษาผู้ประพฤติ บ, บุญนะนะทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเมื่อเราทําแล้วกุศลจิตเกิดขึ้นเป็นความสุขไหม ดวงที่หนึ่งก็ให้ผลชาตินี้ดวงที่7ก็ให้ผลชาติหน้าบุญเหล่านี้ก็เป็นอุปนิสัย<ๆ>แห่งความสุขสุขทั้งโลกนี้สุขทั้งโลกหน้าบุญเหล่านี้ก็เป็นอุปนิสัยแห่งมรรคผลนิพพานเพราะถ้าเรามั่นใจในบุญเพราะนั BRANDON, ้นเราก็ปลูกฝังบุญลงในที่ไหนดีก็ที่ใจของเราแล้วคุณภาพของบุญของเราควรจะแค่ไหนดีบุญมีหลายประเภทนะแต่ประเภทอะไรนะเฉยๆโง่ต่างหากต้องชวนเข็น กว่าจะได้อันนี้ภาษาบาลีคืออะไรอุเปคาสหะตังยานาวิปปยุตังสะสังขาริกังเ็ <c oughs> บอกะบะอะไรว่าเฉยสุดสุดแล้วก็โง่สุดสุดแล้วก็ต้องแมมถูกลากถูกจูงกล่อมอยู่ตั้งนานกว่าจะได้บางคนบอกโง่เฉยแต่ไม่ต้องชวนทำเองก็ได้แต่อย่าบ่อยก็แล้วกัน บางพวกเนี่ยนะดีใจงโง่ถูกชวนมากจึงจะทําได้บางคนนี่ก็อนะั้นดีใจโง่ไม่ต้องมีใครชวนหรอกทำได้ยังเด็กบางคนเนี่ยนะเหมือนกับเด็กบางคนเนี่ยดีใจเห็นพระนี่ดีใจมากเลยแล้วก็กราบกราบกราบเสร็จไม่ต้องชวนนะบางคนนี่ชวนแค่ครั้งเดียวที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไหว้พระเขาเองนะเห็นเมื่อไหร่เขาก็ไหว้เด็กบางคนเนี่บอกเอเมื่อไหร่พระจะมาสักทีหนึ่งว่า ง, งั้น เอ๊เมื่อไหร่พระจะมาเขาอยากไหว้พระและ้วมีล้านโยมคนหนึ่งอายุนิดเดียวเขาเวลาพ่อแม่เขาให้ผลไม้แบบลูกดีๆนะั้วเขาจะวิ่งเอาผลไม้นี่ไปวางไว้ที่หน้าหิ้งพระบูชาพระัตนตรายตัวนิดเดียวนะก็คืออะไรนะญาติเขาสอนแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ที่เหลือเขาทำเขาเองได้นะนเนี่ยนะบางคนเนี่ยเด็กบางคนนี่เป็นอย่างนั้นให้รู้เรื่องไหมบอกไม่รู้ แต่ว่าอสังคาริกนะั้นไม่ต้องชวนด้วยแล้วห้ามอยากขอเขาเด็ดขาดเ็าจะเอาไปบูชาพระเนี่ยนะเขาก็ทำได้ขนาดนั้นบางคนก็เป็นอะไรนะเด็กๆเนี่ยก็ทำบุญอย่างนี้แหละบางผู้ถ้าต่อไปบางคนก็ทำบุญด้วยความเข้าใจเป็นอย่างดีแต่ก็ทำแบบเฉยๆบางคนก็ต้องถูกชวนบางคนก็ไม่ต้องถูกชวนะนะก็ดูมันถ้าเราจะปลูกฝังเอาบุญจริงๆเราก็ต้องปลูกฝังที่จิตใจถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราเป็นบุญ เราก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยสิใช่ั้ยปลูกต้นบุญลงในจิตใจบางคนเนี่ยบอ๊อฉันก็ทำดีมามากแล้วทำไมผลอย่างความดีไม่ไม่ให้ผลก็บอกเอาคุณเนี่ยเกิดมากี่ปีสมวติ20อ่า50ปีอ่าละ50ปีเนี่ยดีมากหรือชั่วมากอ่าละควรจะเอาผลอะไรมากอย่างเงี้ยก็มาไล่ดูนะาสาวหาจากกิตจากใจของเราถ้าเราจะปลูกฝังอะไรก็ฝังลงที่ ใจิตใจของเราพระ อ, องค์บอกว่าอันนี้เป็นกรร ม, มสมทานดังนั้นเราอยากได้ผลชนิดใดเราก็ปลูกฝังลงในจิตใจของเราและทีนี้ผลเหล่านั้นก็จะเป็นไปตามสมควรพระพุทธเจ้ารู้หมดเลยว่ากรรมเหล่านั้นเนี่ยให้ผลเท่าไหร่เท่าไหร่ขณะเดียวกันเนี่ยนะเราศึกษาอย่างนี้ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องรู้เรื่องกรรมแหมกรรมหนึ่งครั้งที่ที่ทำลงไปจะต้องให้ผลเมื่อไรอย่างไรที่ไหนกะใครเป็นต้นเนี่ยนะเราไม่รู้ขนาดนั้นหรอกถ้ารู้อย่างถ้าอยากรู้ขนาดนั้นก็ ถ้าคิดจะเริ่มปรารถนาพุทธเจ้าก็นับอีก20ี่อสงไขยข้างหน้าคิดไปเถอะเอ้ย2ี่สิหรือสี่สิบอ่ะยี่สี่สิบแล้วก็แปดสิบนะถ้าคิดเอาแล้วกันถ้าอยากจะรู้ละเอียดทุกอย่างขนาดนั้นว่าคิดหนึ่งความคิดผุดขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะเป็นบุญเนี่ยมันจะให้ผลกี่ครั้งที่ไหนเมื่อไรอย่างไรกะใครแค่ไหนอ่ถ้าถ้าถ้ า, ถาตอบได้อย่างนี้ทั้งหมดก็ต้องรอเป็นพระพุทธเจ้าก่อนอนะก็เหมือนอะไรนะบอกว่า ชาวนาเนี่ยนะทังเขาทํานามานานทํานามามากเขาตอบไม่ได้หรอกว่ามเมล็ดข้าวที่เขาหย่อนลงไปหนึ่งเม็ดเนี่ยมันจะให้ผลกี่เม็ดแล้วแต่ละเม็ดไปขยายผลได้เท่าไหร่แล้วใครจะไปกินที่ไหนอย่างไรเมื่อไรเนี่ยนะเขาตอบไม่ได้หรอกว่ามันเกินมันเกินไปอย่างนั้นอนะ่ะหรือชาวสวนที่ฉลาดเนี่ยนะว่ามะม่วงหนึ่งเม็ดที่เขาปลูกลงเนี่ยแล้วเม็ดนี้มันจะให้ผลกี่ลูก แล้วแต่ละลูกเนี่ยน้ําหนักเท่าไรเนี่ยนะให้คุณค่าทางอาหารเท่าไหร่เป็นต้นชาวสวนไม่ได้รู้อะไรมากขนาดนั้นหรอกมันขยายผลต่อไปอย่างไรสายพันธุ์เหล่านี้มาจากที่ไหนอะไรแต่รู้ว่าปลูกมะม่วงแล้วมันให้ผลเป็นมะม่วงชาวสวนเขารู้อย่างนี้ชาวนาเขาก็รู้ว่าปลูกข้าวแล้วให้ผลเป็นข้าวคนที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้ารู้ว่าทําบุญแล้วให้ผลเป็นความสุขทําบาปแล้วให้ผลเป็นความทุกข์เขารู้อย่างนี้แต่ไม่ได้แจกได้หรอกแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยไอ้ความที่ไม่รู้ มากเนี่ยนะก็เลยไม่แน่ใจในบุญไม่แน่ใจในบุญเอ๊ะบุญที่เราทำมันเป็นบุญจริงหรือถ้าเป็นบุญจริงทำไมเราเดือดร้อนเหลือเกิน น, นะบางทีนะบางคนเนี่ยโทสะเจริญโทสะนึกว่าเจริญบุญบางคนก็เจริญโลภนึกว่าเจริญบุญบางคนก็เจริญโมหานึกว่าเจริญบุญในชั้นแรกวินิจฉัยว่าอะไรคือบุญ มิใช่บุญให้ดีๆก่อนเมื่อวินิจฉัยว่าอะไรเป็นบุญอะไรไม่ใช่บุญแล้วก็สมาทานประพฤติบุญแล้วก็ให้เวลาเขาหน่อยเราก็คงไม่คิดจะทําถั่วงอกใช่ไหมอยากให้บุญเป็นกลุ่มประเภทถั่วงอกไหมทาปุ๊บได้ผลปุ๊บทันทีเลยนะเอาแบบนั้นไหมถ้าแบบนั้นนะถ้าอยากบุญแบบถั่วงอกแบบนั้นนะยิ้มให้คนอื่นแล้วคนอื่นเขายิ้มตอบอะไรถ้าอย่างเงี้ยเร็ว หรือไม่ก็บึ้งใส่คนอื่นเนี่ยคนอื่นก็ก็บึ้งตอบอะไรเงี้ยดาคนอื่นเนี่ยก็เอาคืนอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างเงี้ยเร็วแต่แต่ถ้าผลบุญที่หวานลงเพราะลงในจิตใจของเราที่จะแปรสภาพต้องให้เวลาทิฏฐธรรมยังให้ผลอะไรนะทิฏฐธรรมอ่ะทําทอทตอนมัชชิมะอะปฐ ม, มวัยก็ให้ผลปฐ ม, มวัยแบบหลังๆไปแล้วแล้วก็มัชชิมวัยแล้วก็ปัจฉิมวัยเนี่ยนะ บางทีก็ทำตั้งแต่อายุห้าขวบแล้วก็ไปให้ผลตอนอายุยี่สกว่าๆใช่ไหมนะหรือทำสักช่วงอายุยี่สิบก็ให้ผลสี่ห้าสิบถ้าทำช่วงสี่ห้าสิบไปแล้วล่ะก็หกเจ็ดสิบไปแล้วเป็นต้นเนี่ยนะก็ก็ดูๆเอากันแล้วกันเพราะว่ามะม่วงก็ยังคือคือบุญที่เราทําลงไปเนี่ยเป็นบุญประเภทเพาะมาเมล็ดเนี่ยนะมันไม่ใช่ตอนไม่ใช่ตอนกิ่งเสียบกิ่งนะไม่ใช่ แต่มันไปเป็นประเภทบุญประเภทเพรา ะ, มะเมล็ดทั้งหมดเลยเพรา ะ, มะเมล็ดพืชพันธุ์ลงในจิตใจของเราอันนี้เป็นกรร ม, มปัจจัยแต่อุปนิสัยปัจจัยก็อย่างหนึ่งแต่ว่าคนที่เจริญกุศลเนี่ยนะเขามาอยากจะแนะนําให้เจริญเพื่ออุปนิสัยมากกว่าเพื่อกร ม, มะปัจจัยถามว่าทำไมเพราะว่าถ้าเลือกเอากรร ม, มปัจจัยเนี่ยนะมันมันมีองค์ประกอบอีกเยอะคือมันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับกาลคติอุปทิและ ประโยค่เนี่ยนะมันยังไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆอีกมากเพราะฉะนั้นบุญแต่ละอย่างที่เราปลูกฝังเนี่ยนะสร้างอุปนิสัยเป็นไปเพื่อการตรัสรู้ธรรมตามพระพุทธเจ้าอันนี้ดีที่สุดเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่า พ, พืชคือบุญที่เราหว่านลงในจิตใจยังไงก็ให้ผลเป็นสุขนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะเอาเรียกว่าเอาอุปนิสัยจากบุญเหล่านั้นเพื่อตรัสรู้ธรรมเนี่ยจะดีกว่าและขณะเดียวกันเนี่ยถ้าตรัสรู้ธรรมเนี่ยนะมันเป็นประโยค่สมบัติชั้นยอดที่ ที่เอาให้วิบากเราอื่นๆตามมาให้ผลด้วยเกนะุศลและ ว, วิบากอย่างอื่นเนี่ยจัดามมาให้ผลด้วยก็เหมือนกับอย่างว่าอะไรนะถ้าเราทำอกุศลหนึ่งครั้งเนี่ยนะอกุศลเหล่านั้นถ้าให้ผลนาเกิดนะอกุศลที่เหลือมันจะมาส่งมาเรียกว่าซ้าเติมนะแต่ถ้าหากว่าผลบุญให้ผลอย่างเดียวเนี่ยนะบุญหนึ่งบุญให้ผลปั๊บบุญที่เหลือจะมาสนับสนุนเนี่ยนะมาสนับสนุนมาเพิ่มเติมแต่ถ้าบาปให้ผลนะจะมา ซ้ําเติมถ้าบุญให้ผลจะมาเพิ่มเติมมาส่งเสริมอยู่ตลอดเวลาเพรานั้นถ้าหากว่าเราแยกแยะออกทั้งบุญทั้งบาปที่สมาทานประพฤติด้วยกายวาจาใจเนี่ยนะเราถ้าเราจะร้องเรียกหาผลแห่งคุณงามความดีก็ต้องร้องเรียกหาจากใจของเรานี่แหละจากใจของเราช่วงเช้านี้ก็ใช้เวลาเท่านี้ก่อน